ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังบางทีมันก็เข้าใจยากเหมือนกันบางครั้งพระพุทธเจ้าพูดข้อความที่เป็นความหมายลึกซึ้งมีนัยะแฝงอยู่บางครั้งก็พูดตรงกันข้ามชนิดที่ว่าถ้าไม่เข้าใจดีๆหรือทำความแจ่มแจ้งในเรื่องของความหมายคือโดยอัฏฐานี่ก็ส่วนหนึ่ง โดยเพียนชนะนี่ก็อีกสุดหนึ่งเรื่องที่ข้าพเจ้าจะยกมาให้ท่านผู้ฟังฟังต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจนพระพระธเจ้าได้ตรัสถึงว่าให้ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าพระราชาด้วยถ้าเราฟังแค่นี้โดยเข้าใจแค่บทเพียนชนะเนี่ยแต่เข้าใจความหมายไม่ถูกโว้ยถ้าไปทํานีแย่เลยนะ ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่เป็นอนันตริยกรรมถ้าข่าพระชาด้วยโอ้เป็นโทษหนักแน่นอนเพราะฉะนั้นนอกจากทําความเข้าใจในเรื่องของพยัญชนะอัตตะจึงต้องมีด้วยซึ่งผู้ที่จะทําหน้าที่ในการอัตตะอธิบายแน่นอนในคําสอนนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้สอนเป็นผู้สอนด้วยเป็นผู้อธิบายด้วยนั่นแหละอธิบายในคําสอนที่ตนสอนไปให้มันอย่างละเอียดรบอบครอบ ช่วยกันบอกช่วยกันสอนยังบอกให้เราภิกษุเนี่ยช่วยกันบอกช่วยกันสอนต่อๆไปซึ่งการบอกการสอนก็คือบอกสอนตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนนั่นแหะตัวพระองค์เองทําหน้าที่เป็นอกาจารย์อธิบายคําของพระองค์เองภิกษุต่างๆนอกจากมีหน้าที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังละก็ยังมีหน้าที่ในการทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจำแจ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางภาษาคือนิรุตติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางความหมายคืออัฏฐะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเพยียญชนะเรื่องของตัวบทเรามาฟังเรื่องของคาถาคาถาหนึ่งตะบูฟังที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงการให้ไปฆ้าพ่อฆ่าแม่แต่คือไม่ได้หมายความแบบอย่างนั้นนะแต่เป็นอุ ป, ปมาอุปไมปรีบเทียบในวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระศาสดาซึ่งประทับนั่งนะ ที่ประทับกลางวันถ้ า, ายบางคมแล้วนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งขณะนั้นพระละกุลทกะพัตติยะติระเดินบ่านพระผู้มีพระภาคเจ้าไปในที่ไม่ไกลพระศาสดาทรงทรงาบความคิดของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นหรือไม่ภิกษุรูปนี้ ข้ามาดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์สันจอนไปก็เมื่อปิกษุตเหล่านั้นมองดูหน้ากันและกันแล้วเกิดโฉนดว่าพระศาสนาตรัสอะไรเนาะแลอย่งนี้แล้วจึงได้ทูลถามว่าโปรดตรัสบอกพระตํารัสนั้นหมายความว่าอย่างไรพระชจ้าข้าเมื่อจะส่งแสดงธรรมแก่ปิกจุตเหล่านั้น จึงตรัสพระกาตานิว่ามาตรังปิตรังหันตวาราชาโนเดเวจะคติเยรัฐถังสานุจรังหันตวาอานีโคโยาติปรามโนแปลว่าบุคคลข้ามานดาบิดาข้าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ทั้งสองและข้าเบนแคว้นพร้อมด้วยพนัก ง, งานเก็บสวยแล้วเป็นปรามผู้ไม่มีทุกข์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 และอุเฉธทิฏฐิทั้งสองเหมือนชาวโลกอาศัยพระราชาฉะนั้นสัตตะทิฏฐิและอุเฉธทิฏฐิจึงชื่อว่าพระราชาผู้เป็นกษัตริ์ทั้งสองอายตนะสิคืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอกทั้ง6ชื่อว่าแว่นแกวนเพราะคล้ายกับแว่นแกวน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 จิตของเราเนี่ยนะท่านผู้ฟังจิตของเราเนี่ยมันเกิดไม่ได้นี่ก็เพราะว่ามีกิเลสมีตัณหามีอวิชชาพวกนี้มันยังฝังอยู่มันยังครอบงําอยู่แตาไม่เราจึงเกิดไม่ได้เราพระชาจึงเปรียบสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเหมือนกับมารดาบิดาก็คือเรื่องของความเป็นตัวตนเรื่องของอวิชชาความไม่ดีต่างๆพวกนี้แต่เราจากการสิ่งต่างๆพวกนี้ได้ไอความไม่ดีต่างๆที่ออกไปนั้น ก็ทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ได้แต่วิธีการที่เราจะขจัดสิ่งต่างๆที่เป็นอกุศ ล, ลออกไปจากใจของเราก็คือให้เดินตามมรรคสิ่งหนึ่งในมรรคคือเส้นทางในทางปฏิบัติเนี่ยก็คือเรื่องของสติสติคือการระลึกได้ทะมุฝังสตินี้ดีกับทุกคนแน่นอนแม้แต่เด็กๆ เ, เขาตั้งสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ยังสามารถที่จะพ้นภัยได้ เรื่องที่2ในวันนี้ก็คือเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่เป็นลูกของคนหาของเก็บของเก็บไม้เก็บฟืนต่างๆในป่าคนหาของในป่านี่เขาก็สอนลูกดีทั้งผัวฝังสอนให้ลูกเป็นสัมมาทิฏฐิแั่นคือตัวเองมีสัมมาทิฏฐิด้วยทำอาชีพการงานใดๆก็ไม่เป็นไรล่ะมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็สอนลูกหลานให้มีสัมมาทิฏฐิเด็กที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ น, นึกถึงพุโทโธพุโทโธเนี่ย แล้วก็กันผีได้ทุกฟังแต่มีพวกอาบมนุษย์จะมาทําร้ายเด็กคนนี้เด็กคนนี้มีสมาธิินึกถึงพระพุทธเจ้าร้างสัมาสัมพุทธโธเนี่ยนึกถึงพุทธโธพุทธโธแล้วก็สามารถที่จะคลาวคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆได้เรามาฟังเรื่องของเด็กที่นึกถึงพุทธานุสตินี้กันความพิสดารว่าในกรุงราชจุกร มีเด็กสองคนคือบุตรของคนสัมมาทิฏฐิคนหนึ่งบุตรของคนมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งทั้งสองคนเล่นกลุบด้วยกันเสมอๆ เ, เด็กสองคนนั้นบุตรของคนสัมมาทิฏฐิเมื่อจะทอดกลุบระลึกถึงพระพุทธคุณกล่าวว่านะโมตัสสะแล้วจึงทอดกลุบเด็กอีกคน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 กล่าวแล้วอย่างนั้นทอดกลุบไปจึงชนะเราเราก็จะทำอย่างนั้นบ้างดังนี้ได้ปลูกฝังในพุท ธ, ธานุสติตอนเด็กผู้เป็นสมมาธิติไปป่ากับบิดาต่อมาวันหนึ่งบิดาของเด็กผู้เป็นสมมาธิตินั้นเทียมเกวียนเพื่อไปหาฝืนได้พาเด็กนั้นไปด้วยบรรทุ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 ซ้ำเด็กนี้ยังนอนอยู่ใกล้ป่าช้าอีกพวกอมนุษย์ในป่าชานั้นมาพกเขาเขา้อาอมนุษย์ตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฐิเป็นเสี้ยนนามต่อพระศาสนาอามนุษย์อีกตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฐิในอมนุษย์ทั้งสองนั้นอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฐิกล่าวว่าเด็กคนนี้เป็นอาหารของพวกเรา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 จึงได้ยืนคุ้มครองเด็กนั้นอยู่อาตมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิิฐิ้าไปในเมืองเอาถาดอาหารของพระราชาใส่อาหารเต็มถาดนำมาแล้วอาตมนุษย์ทั้งสองแปลงเหมือนพ่อแม่ของเด็กนั้นปลุกเด็กนั้นให้ลุกขึ้นให้บริโภคอาหารแล้วจารึกอักษรบอกความเป็นมาไว้ที่ถาดอาหารด้วยอนุภาพของยักษ์ โดยอธิษฐานว่าพระราชาเท่านั้นจงทอดประเนษเห็นอักษรเหล่านี้คนอื่นอย่ามองเห็นดังนี้แล้วจึงได้ลาไปในวันรุ่งขึ้นพวกราชบุรุษเออะบวยวายขึ้นว่าพวกโจรลักเอาถานอาหารไปจากพระราชวางังจึงปิดประตูทั้งหมดค้นหาเมื่อไม่เห็นในเมืองจึงออกไปหานอกเมือง ตรวจ ด, ดูข้างนู้นข้างนี้ได้เห็นถาดทองคำบนเกวียนที่บรรทุกฝืนจึงจับเด็กนั้นมาถวายแก่พระราชาด้วยเข้าใจว่าเด็กเป็นขโมยตอนเด็กถูกไต่สวนพระราชาท่าพระเนตรเห็นหนักสอนแล้วจึงตรัสตามว่านี่อะไรกันพ่อเด็กนั้นกราบตูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระองค์ไม่ทราบพ่อแม่ของข้าพระองค์มาแล้วหาอาหารให้กินแล้วได้ยืนคุ้มครองอยู่ตลอดคืนข้าพระองค์คิดว่าพ่อแม่คุ้มครองเราอยู่ดังนี้แล้วจึงไม่กลัวอะไรนอนหลับไปถ้าพระองค์ทราบเพียงเท่านี้ต่อมาพ่อแม่ของเด็กนั้นก็เข้าไปเฝ้าด้วยพระราชาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้ว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 พระศาสดาทรงแสดงฐานะทั้งหกลำดับนั้นพระศาสดาตรัสแก่พระราชา น, นั้นว่ามหบภิษมิใช่พุทธานุสติอย่างเดียวเท่านั้นที่คุ้มครองได้จนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยฐานะทั้งหกจนเหล่านั้นก็ไม่จําเป็นต้องรักษาและป้องกันอย่างอื่นหรือด้วยมนและโอสถ ณเมื่อจะทรงแสดงธรรมโระการที่ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าซาปะพุธทธังปะพุทธันติซทธาโคตมะสาวกา่าเยสังที่วาจะรัตโตจะนิจจังพุธทธะคตาสติสปปุปะพุทธังปะพุทธันติซทธาโคตมะสาวกา่า เยสังทิวาจะรัตโตจนิจจังธรรมะคตาสติสุปะพุทธังปะพุทธันติสัตตาโคตมะสาวกาเยสังที่วาจะรัตโตจนิจจังสังฆะคาตาสติสุปะพุทธังปะพุทธันติสัตตาโคตมะสาวกาเยสังที่วาจะรัตโตจ นิจังกายะคตาสติสุปะพุตังปะพุชันติสะทาโคตมะสาวกาเยสังที่วาจะระโตจะอหิงสายะระโตมโนสุปะพุตังปะพุชันติสะทาโกตมะสาวกาเยสังที่วาจะระโตจะภาวนายะระโตมโน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 ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคตมะตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมือในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสุ ป, ปะพุทธังปะพุทธันติแปลว่าตื่นอยู่ได้ดีหมายความว่าผู้หลับไปตื่นขึ้นมาโดยมีสติยึดมั่นในพระพุทธเจ้าตลอดเวลาชื่อว่าตื่นอยู่ได้ดีข้อที่ว่า สาาโคตมะสาวกาแปล ว, ว่าสาวกของพระโคตมะหมายความว่าชื่อว่าเป็นสาวกของพระกคดมเพราะเกิดเป็นสาวกหลังจากฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าผู้โคตามาโคตและเพราะเชื่อฟังอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่นแหละคำที่ว่าพุทธกาตาสติแปล ว, ว่าสติ ไปแล้วในพระพุทธเจ้าหมายความว่ า, วาสติของชนเหล่าใดปรารบพระพุทธกุลมีว่าอิติปิโสภค ว, วาเป็นต้นเกิดขึ้นคงอยู่ตลอดการเป็นนิจชนเหล่านั้นชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อโดยแต่เมื่อไม่อาจทำเช่นนั้นได้เพียงทำพุทธานุสติไว้ในใจวันละสามเวลา สองเวลาหรือเพียงเวลาเดียวก็ชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีเหมือนกันคำว่าธรมคตาสติแปลว่าสติไปแล้วในพระธรรมหมายความว่าสติที่ปรารบพระธรรมกุลมีว่าสวากาโตภะวะตาตโมเป็นต้นเกิดขึ้นคำว่าสังฆขตาสติแปลว่าสติไปแล้วในประสง หมายความว่าสติที่บรารภพระสังกคุมีว่าสุปัติปันโนภะวะโตสาวกสังโกเป็นต้นเกิดขึ้นก็ข้อที่ว่ากายคตาสติแปล ว, ว่าสติเป็นไปแล้วในกายหมายความว่าสติที่เกิดจากการพิจารณาตามอาการสาสิบสองหรือด้วยการพิจรารณาซากศพในป่าชา9ก้าอย่าง หรือด้วยการกำหนดทาตุสีหรือด้วยการเจริญรูปฌานมีนีละกะสินอันเป็นไปในภายในเป็นต้นชื่อว่าอาหิงสายาระรโตแปลว่ายินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนหมายความว่ายินดีแล้วในกรุณาภาวนาือการเจริญกรุณาตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกษุนั้น มีใจประกอบด้วยกุณณาแพ่ไปตลอดที่หนึ่งอยู่คำว่าภาวนายแะแปลว่าในภาวนาหมายความว่าเมตตาภาวนาจริงอยู่ในคำว่าภาวนายะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงภาวนาที่เหลือทุกอย่างก็จริงถึงกระนั้นในคำว่าภาวนายะนี้หมายเอาเมตตาภาวนาอย่างเดียว เพราะตรัสกรุณาภาวนาไว้ในคาถาท่อนก่อนคำที่เหลือปึงทราบโดยนัยะที่กล่าวแล้วในกตถาแรกนั่นแหละในเวลาจบเทศนาเด็กคนนั้นร่วมกับพ่อแม่ดำรงอยู่ในโซโดาปฏิผลครั้นภายหลังคนทั้งหมดบวชแล้วได้บรรลุพระอรหัตพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่ผู้อยู่ในที่นั้น ด้วยแล้วและ่ะเรื่องนายทารุสากติกะจบนอกจากพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วในเรื่องนี้พระบรทธเจ้าก็ยังอธิบายแต่ก็ อ, อธิบายคำของตัวเองนั่นแหละว่านอกจากพุทธานุสติแล้วก็ยังมีธรรมานุสติสังขารนุสติการระลึกถึงกายกายขายขตตสติเหล่านี้ด้วยก็ได้แต่สตินี้เป็นเรื่องสําคัญดประฟัง เพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเผลอสติไปเนี่ยมันไปทั่วเนี่ยวนไปอยู่ในสังสารวัตไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นแตแม้แต่สัตว์ที่เกิดเป็นพรหมบางทีหมดบุญจากพรหมแล้วมีความสับสนในคติที่ไปของตัวเองก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เหมือนกันแต่ยังไม่ต้องพูดถึงเทวดาธรรมดาธรรมดานะเทวดาธรรมดาธรรมดานี่ก็อ่อนกาลังมีบุญเนี่ย น้อยกว่าพรหมอยู่ละพรหมเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงขึ้นไปกว่าเทวดาแต่ยังมีความสับสนในกติที่ไปจนกระทั่งมาเกิดเป็นหมูแต่หมูกำลังกินอุจจระอยู่พระพุทธเจ้าเห็นหมูตัวนี้แย้มประโน์ขึ้นมาท่านพระอนุนสังเกตเห็นจึงถามเหตุแห่งการแย้มพระพุทธเจ้าบอกว่าหมูตัวนี้ชาติก่อนเกิดเป็นพรหมมีสติสับสนมึนงง ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไ ร, ะไรเนี่ยล้วก็เลยมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นลูกหมูเรื่องตัวนี้ยังไม่จบตัแต่บังหวังเพราะว่าหมูตัวนี้ต่อไปต่อไปน่ะก็ไปเกิดเป็นเจ้าหญิงแล้วก็อะไรต่างๆอีกเยอะแยะในสุดท้ายบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในตั้งแตังหวังเรามาฟังเรื่องของนางลูกสุกรซึ่งพอเกิดต่อๆไปในชาติสุดท้ายก็เป็นนางภิกษุณีแล้วก็บรรลุทำขั้นสูงได้ ได้ยินว่าพระาศาสดาเสด็จเข้าไปยังกรุงราชฤกษ์เพื่อบิณฑบาตได้ประเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่งจึงได้ทรงทําการแย้มพระโอษฐ์ให้เห็นขณะที่พระองค์ทร ง, งแย้มพระโอษฐ์พระอนนทเทระได้เห็นบงรัศมีที่เปล่งออกจากช่องพระโอษฐ์จึงถามเหตุแห่งการแย้มพระโอษฐ์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรนาอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ย้มโปรดให้เห็นพระชก้าลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับพระอ น, นุ์ว่าอา น, นุ์เธอเห็นนางลูกสุกร น, นั้นไหมเห็นพระชก้าอา น, นุ์ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งพรินาว่ากะกุสันทะนางลูกสุกร น, นั้น ได้เกิดเป็นแม่ไกอยู่ในที่ใกล้รวงประชุมแห่งหนึ่งมันได้ฟังเสียงประกาศธรรมะของพภิกษุโยคาวจรรูปหนึ่งผู้กำลังสาธยายวิปัสสนากรรมฐานอยู่จุติจากชาตินั้นแล้วได้เกิดในราชตระกูลเป็นราชธิดาพระนามว่าอุภรีในเวลาต่อมาพระนางนั้น เสด็จเข้าไปยังที่ถ่ายอุจระตาประเนศเห็นหมู่นอนยังความหมายรู้ในตัวนอนคือปุละวกะสัญญาให้เกิดขึ้นในที่นั้นได้ปฐมชาิแล้วพระนางดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นจนสิ้นอายุจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในบรมโลกจุติจากนั้นแล้ว นางเกิดสับสนในกติที่ไปในบัดนี้จึงได้เกิดในกำเนิดสุกรเราเห็นเหตุนี้จึงได้แย้มให้ปรากฏปิสุทหลายมีพระอนุติรัเป็นต้นฟังเรื่องนั้นแล้วเกิดความสังเวชอย่างมากตอนราคะตัญหาให้โทษมาก พระศาสดาทรงยังความสังเวชให้เกิดแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วเมื่อจะทรงประกาศโทษแห่งราคะตัณหาประทับยืนอยู่กลางถนนนั่นเองได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่ายะถาปิมูลเลอนุปัฏฐเวทะเลหะชินโนบิรุโขปุณณเรวะรูหติ เอวัมปิตันหานุสเยอนุหะเตนิพพันตติทุกขะมิทังปุณณปุณังยะสะชัตติงสะตีโสตามะนาปัสะวะนาภุสามหาวะหันติทุติดถิถงสังกับปาราคะนิสิตาสะวันติสัพพะทีโสตา ละตาอุพิชตินทติตันจะทิสว่าละตังชาตังมูลังปัญญายะฉินทะถะสรีตานิสิเนหิตานิจะโสมนัสสาติภวันติชนุโนเตสาตะสิตาชุเขสิโนเตเวชาติชะรูปะคานราตะสินายะ บุรคกาตาปชาป ร, ริสับปันติสะโสวพาทิโตสังโยชนสังขสัตตาทุกขมุเปนติปุณณปุนังจิรายะตะสินายะบุรักขาตาปชาปา ร, ริสับปันติสะโสวพาทิโตตัสมาตัศินังวิโนทะเยภิกุอากังขัง วิราคะมัตตะโนแปลว่าต้นไม้เมื่อรากอย่างแข็งแรงมั่นคงถึงลำต้นถูกตัดลงย่อมงอกขึ้นได้อีกชั้นใดความทุกนี้เมื่อบุคคลยังกระจัดตัหานุสัยไม่ได้ย่อมเกิดขึ้นร่ำไปฉะนั้นกระแสงตัณหา36อันแรงกล้าไหลไปในอารมณ์ เป็นที่พอใจย่อมมีแก่บุคคลใดความดำริเป็นอันมากอาศัยราคะย่อมนำบุคคลผู้มีทิฏฐิชั่วนั้นไปกระแสตัหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาดุดถะวันก็แตกแขนงออกแต่ทั้งหลายเห็นตัณหาเป็นดั่งถะวันที่เกิดขึ้นแล้วนั้น จงตัดรากของมันเสียด้วยปัญญามูสัดผู้ท่วมทนด้วยโสมนัสที่เปื่อนด้วยตัณหาดุดยางเหนียวอาศัยความสำราญจึงมัวแต่แสแบงหาความสุขคนเหล่านั้นจึงเข้าถึงชาติชรามูสัดถูกตัณหาตัวทำความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสน เหมือนกระต่ายอันนายพรานดักได้แล้วฉะนั้นมูสัตผู้คล่องอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเครื่องค้องย่อมเข้าถึงทุกบ่อยๆตลอดกาลนานมูสัตถูกตัณหาตัวทำความดิ้นรนล้อมไปแล้วย่อมกระเสือกระสนเหมือนกระต่ายอันนายพรานดักได้แล้วฉะนั้นประเหตุ น, นั้นภิกษุ เมื่อหวังทมเป็นที่สำรอกกิเลสแก่ตนควรบรรเทาตัณหาตัวทำความดิ้นรนเสียดังนี้ในเวลาจบเทสนาจนเป็นนันมากได้บรรลุโซดาปฏิผลเป็นต้นฝ่ายนางลูกสุกร น, นั้นแหลตายจากสุกรแล้วไม่เกิดในราชตระกูลในสุวรรณภูมิจากชาตินั้น ได้ไปเกิดในกรุงพาราสีเหมือนเดิมอีกชุติจากนั้นไปเกิดในเรือนพ่อค้าม้าที่ท่าสุปารกักะจากนั้นไปเกิดในเรือนของนายเรือที่ท่าข่าวิระจากนั้นไปเกิดในเรือนของอิสระชนในเมืองอนุราทบุรีจากนั้นไปเกิดเป็นธิดาในเรือนของกุกุมพี ชื่อสุมานณะในหมู่บ้านเพกะกันตะคามทางทิศใต้ของเมืองอนุราทบุรีได้ชื่อว่าสุมนาะต่อมาเมื่อบ้านเกิดร้างบิดาของนางได้ย้ายไปแก้นทีข้าวาปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชื่อมหามุนีคามอมาตย์ของพระเจ้าทุตธคามณีนามว่าละกุนทะกะ อาติมาพรไปที่บ้านนั้นด้วยตุระบางอย่างเห็นนางแล้วทำพิธีแต่งงานอย่างใหญ่โตพานางไปอยู่บ้านมหาปุณคขามครั้งนั้นพระมหาอาตุละติร ะ, ระผู้อยู่ในมหาวิหารชื่อโกติปันพศไปบิณฑบาต ท, ที่บ้านนั้นยืนอยู่ที่ประตูบ้านของนางเห็นนางแล้วจึงกล่าวกับภิกษุ ทั้งหลายว่าผู้มีอายุนางลูกสุกรแท้ๆยังได้เป็นถึงภรรยาของมหาอามาตย์ชื่อละกุณะทกะอาติมาพรโอ้น่าสะจันจริงนางนั้นได้ยินคำนั้นแล้วระลึกย้อนถึงพบในอดีตเกิดย่านระลึกชาติได้ในขณะนั้นนั่นเองนางเกิดความสังเวชจึงขออนุญาตสามี บวชในสำนักพระเถรีคณะเบญจพลด้วยอิสริยยศอย่างใหญ่ได้ฟังคาถาพนานามหาสติปฐานสูตรในติสมหาวิหารแล้วตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลภายหลังเมื่อพระเจ้าทุตตะขามณีทรงปราบทมินได้พระสุมนาเถรีกลับไปหมู่บ้านเพกะกันตะคาม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 ผู้กล่าวบทแห่งธรรมอยู่ในมันทลารามในท่ามกลางภิกษุงสงฆ์ผู้ประชุมกันกล่าวว่าในกาลก่อนข้าพระเจ้าจุติจากกาำเนิดมนุษย์แล้วเป็นแม่ไก่ถูกเยียวกัดคอขาดในชาตินั้นไปเกิดในกรุงราชกฤหแล้วบวชในสำนักนางปาริภาชิกาได้ปฐมฌานจุติจากชาตินั้น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 ปริเนนี้ผ่านแล้วแหละเรื่องนางลูกสุกร